วิธีรู้เท้ากระทบอย่างถูกต้องการจะรู้เท้ากระทบอย่างถูกต้องนั้นเริ่มแรกควรเน้นที่ใจอันเปิดกว้างสบายทำนองเดียวกับเดินเล่นชมสวนขอให้เอามือไพล่หลังเงยหน้ามองตรงแบบไม่จดจ้องเพ่งเลงจุดใดจุดหนึ่งก้าวเท้าแบบเดียวกับทอดน่องเดินเพื่อความผ่อนคลาย